สงบหรือไม่สงบช่างมันขอให้ใจเรานี้พยายามตั้งอยู่ในความถูกต้องคือเอาลมหายใจเป็นกระยาณมิตรระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามรักษาใจให้เป็นปกติรักษาความรู้สึกให้เป็นปกติให้ศสลถึงใจ ใจเป็นศีลตลอดการตลอดเวลาเถิดเมื่อเกิดสติที่จะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อไรความไม่สงบจะหายไปเองจเจริญอาณาปานสติการเลือกคบกัลยาณมิตรทำให้ไม่ติดอารมณ์โดยปกติจิตของเรามักจะอยู่กับเรื่องภายนอกทั้งอดีตอนาคต สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีและเราก็มักจะปล่อยจิตของเราไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนถ้าเราประสบความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ชอบเพราะเราได้เห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามักจะเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้นานๆเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีๆ เราจึงไม่ค่อยมีความสุขมากในชีวิตประจำวันหากเราประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจเรามักจะเก็บความรู้สึกและความจำนั้นไว้นานเป็นปีเช่นกันแต่เมื่อต้องพบขับสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเราต้องประสบกับความพลัดพรากการเสียของรักเราก็เป็นทุกข์อีกถ้าเราสามารถมีสติ ระลึกรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าในแต่ละขณะหมายความว่าเราสามารถอยู่กับปัจจุบันในแต่ละขณะได้เราจะไม่ติดอารมณ์เราจะไม่เก็บความรู้สึกเก่าๆที่เคยสร้างความขุนเคืองเศร้าหมองแกจิตใจของเราไว้รวมทั้งไม่เก็บความจำที่เคยทำให้เรามีความสุข จนเราไม่อยากพลาดพลากจากความสุขนั้นเราจะสามารถตัดทิ้งและปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นให้ผ่านไปได้และในที่สุดเราจะมีความสุขได้แน่นอนทาความรู้จักลมหายใจหรือกาลยานามิตรที่เรามองข้ามตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ลมหายใจของเราไม่เคยขาดหายไป ที่ไหนเลยแม้แต่เวลาที่จะนอนหลับสนิทถึงแม้เราจะไม่รู้สึกตัวลมหายใจก็ยังเข้าออกอยู่อย่างนี้ตลอดการตลอดเวลาแต่คนเราโดยมากจะไม่เคยให้ความสนใจกับลมหายใจไม่เคยเห็นลมหายใจไม่เคยสังเกตว่าลมหายใจของเรามีอิทธิพลต่อร่างกาย และต่อความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกนี้มีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญานาปานสติมาหลายภพหลายชาติในพระชาติสุดท้าย เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นพระกุมารประทับใต้ร่มต้นว่าในคราวที่พระพุทธบิดาทรงประกอบพิธีแรกนาขวัญทรงกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าและได้บรรลุปฐมฌานในครั้งนั้นในวันที่ทรงตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงประทับใต้ร่มสีมหาโพ ก็ทรงอาศัยอนาปานสติเป็นพื้นฐานหลังจากตรัสรู้ก็ทรงใช้อนาปานสติเป็นวิหารธรรมได้ทรงสอนลูกศิษย์ว่าถ้ามีใครถามว่าพระสมณโคโดงอยู่อย่างไรในพรรษาให้ตอบว่าท่านอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นส่วนใหญ่การฝึกสติหรือการเจริญสติโดยกำหนดรู้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาเป็นการเริ่มต้นให้เราได้สังเกตและให้เอาใจใส่กับลมหายใจและจะช่วยให้เราสังเกตเห็นลมหายใจของเรามากขึ้นมากขึ้นลมหายใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบร่างกายอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งแวดล้อม เมื่อเราไม่สบายลมหายใจจะติดขัดเมื่อเกิดอารมณ์หงุดหงิดขัดเคืองลมหายใจจะพลอยขัดข้องไปด้วยเมื่ออารมณ์ดีลมหายใจก็โปร่งโล่งเมื่ออากาศร้อนลมหายใจก็ทีเร็วขึ้นลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจลมหายใจได้รับอิทธิพลจากร่างกายและจิตใจ และลมหายใจมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของเราด้วยเมื่อเรารู้จักและเข้าใจเหตุปัจจัยและความเป็นไปตามเหตุและผลของลมหายใจอย่างดีแล้วเราจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุงร่างกายและจิตใจโดยอาศัยลมหายใจออกและลมหายใจเข้าต่อไป ลมหายใจยาวสั้นโดยปกติมนุษย์เราหายใจประมาณ17ครั้งต่อนอาทีอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านี้เล็กน้อยแล้วแต่บุคคลลมหายใจสั้นเมื่อร่างกายเหนื่อยอ่อนเพลียเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายเมื่อมีอารมณ์ตื่นเต้นเพราะความดีใจเสียใจความกลัวโกรธ ลมหายใจยาวเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อหมดความกังวลโล่งอกโล่งใจเมื่อรู้สึกสบายอกสบายใจสบายอารมณ์การปรับปรุงลมหายใจยาวๆจะช่วยทําให้กายสงบอารมณ์สงบลงได้อย่างดีเราสามารถควบคุมอารมณ์โกรธ ด, ด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกการหายใจออก กับการหายใจเข้าใช้ระบบประสาทที่แตกต่างกันสามารถแยกแยะได้ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองการหายใจออกมีลักษณะผ่อนคลายให้ความรู้สึกสบายโล่งอกปล่งใจหมดความกังวลส่วนการหายใจเข้านั้นมีลักษณะของความตั้งใจ หรือความเคร่งเครียดเช่นเมื่อตั้งใจทําอะไรสักอย่างเต็มที่หรือเมื่อโกรธอยากจะชกหน้าเขาเมื่ออารมหรือความรู้สึกเปลี่ยนแปลงลมหายใจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่เราอาจไม่ทันรู้ตัวเช่นเมื่อกระทบอารมณ์ที่ทําให้โกรธโมโหอย่างรุนแรงลมหายใจจะสั้นทีและหนัก จนกระทั่งหัวใจสูบฉีดเลือดขึ้นสมองน่าจะแดงปกติเราเกิดอารมณ์โกรธ ถ, ถ้าเราสังเกตดูจะพบว่าลมหายใจเกิดเปลี่ยนแปลงก่อนจึงเกิดความคิดโกรธและเป็นความรู้สึกโกรธสาหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติคงจะเป็นเรื่องยากที่จะห้ามความรู้สึกโกรธหรือห้ามความคิดเอาไว้ได้ทันท่วงที แต่การปรับเปลี่ยนลมหายใจนั้นใครกๆก็ทำได้เพราะไม่ยากจนเกินไปขอเพียงแต่ความเข้าใจอย่างถูกต้องเท่านั้นเราสามารถคุมหรือเปลี่ยนอารมณ์โกรธ ด, ด้วยการปรับเปลี่ยนลมหายใจดังนี้ตั้งสติหายใจออกยาวๆสบายๆหายใจเข้าปล่อยตามธรรมชาติ หายใจออกยาวๆสบายๆเพื่อคลายความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปพร้อมกับลมหายใจออกหายใจเข้าปล่อยตามปกติให้ลมหายใจเข้าช้าๆลึกๆพอสมควรหายใจออกตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่ให้เป็นลมหายใจยาวๆสบายๆ เมื่อทำซ้ำๆอยู่เช่นนี้จะรู้สึกสบายกายสบายใจเกิดความสงบใจเย็นและก็เกิดความละอายต่ออารมณ์โกรธหรืออารมณ์โมโหจนกระทั่งความโกรธไม่กล้าโผล่หน้ามาให้เห็นอีกความโกรธเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆดังนี้เขาพูดจริงโดยหวังดีต่อเรา แต่ไม่ถูกใจเราเราโกรธเขาพูดธรรมดาแต่ไม่ถูกใจเราเราโกรธเขาไม่พูดไม่ถูกใจเราเราโกรธเราคิดว่าเขานินทาเราที่จริงเขาไม่ได้นินทาเราเราโกรธเขาว่าเรานินทาเขาแต่เราไม่ได้นินทาเขาเราโกรธเขาเข้าใจผิดว่า เขาทำผิดทั้งๆ ท, ที่เขาทำดีเราโกรธเขาเข้าใจผิดว่าเราทำผิดทั้งๆ ท, ที่เราทำดีเราโกรธเขาหน้าบึง้งใจไม่ดีเรารู้สึกว่าเขาไม่พอใจเราเราโกรธพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบความโกรธว่าเหมือนไฟไหม้ป่า ไม่ว่าอะไรขวางหน้าเผาทั้งหมดเผาหมดเลยเผาแม้แต่คนที่รักที่สุดหรือแม้แต่หัวใจของตัวเองเผาหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนตกนรกทั้งเป็นมีแต่โทษร้อยเปอร์เซนไม่มีคุณเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับผู้มีปัญญาสมบูรณ์ดีแล้วรักษาความสงบรักษาความสุข ใครจะให้โกรธก็โกรธไม่ได้อีกแล้วอนาคามีบุคคลลมหายใจเปรียบได้อาหารที่มีปริมาณและคุณภาพการเจริญอาาปานสติเปรียบได้กับอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันมีทั้งปริมาณ และคุณภาพถ้าใครมีฐานะยากจนจริงๆจะสแสวงหาอาหารในด้านปริมาณเป็นหลักก่อนขอให้มีข้าวกินทุกวันเพื่อให้อิ่มท้องถ้าหิวจริงๆข้าวกับเกลือหรือน้ำปลาไข่ทอดหรือปลาเค็มก็อร่อยได้เหมือนกันแต่เมื่อมองดูในระยะยาวอาจจะเกิดปัญหาต่อร่างกาย เพราะอาหารไม่สมบูรณ์ไม่มีคุณภาพขาดสารอาหารทำให้การเจริญเติบ โ, โตของร่างกายไม่สมบูรณ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายเกิดโรคต่างๆงานานาสติปัญญาไม่ดีและอายุสั้นไม่อาจสำเร็จประโยชน์ในชีวิตได้ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยดังนั้นนอกจากปริมาณแล้ว การบริโภคอาหารจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วยปริมาณในอนาปานสติหมายถึงการมีสติเพียงพอที่จะรักษาใจให้เป็นปกติโดยอาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดการตลอดเวลาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่ง นอนหรือเราเอาลมหายใจเป็นกัลยาณมิตรเมื่อเกิดอารมณ์ไม่ดีก็นึกถึงลมหายใจเพื่อระ ง, งับอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นสามารถทําใจให้สงบธรรมดาได้ตลอดไม่ติดอารมณ์พอใจและไม่พอใจมีใจสงบเป็นปกติเรียกว่าใจเป็นศีลคุณภาพในอนาปานสติ เมื่อได้สติปริมาณที่เพียงพอสีนสมบูรณ์แล้วต่อไปก็พัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามหลักอนาปานาสติ16ขั้นอนาปานาสติ16ขั้นนั้นเมื่อทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลให้ได้สมถะและวิปัสสนาสมบูรณ์ทำให้สติปัทานสีสมบูรณ์ ทำให้โพชฌงเจ็ดสมบูรณ์จนกระทั่งถึงวิมุตคือพระนิพพานในที่สุดตอนที่สองธรรมะเพื่อเข้าถึงอานาปานสติ 1. กัลยาณมิตรการมีกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีงามอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการบรรลุปเป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้สักอย่างเดียวที่จะมีประโยชน์มากสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกําจัดอกุศลได้และย่อมยังกุศลให้เกิดขึ้นภิกษุในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะผู้ชายที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างเดียว เพราะภิกษุแปลตามคำศัพท์ว่าผู้ขอหรือผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารอย่างพวกเราทุกคนที่กำลังตั้งใจเจริญอนาปานสติอยู่นี้ก็ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งในภิกษุทั้งหลายเหมือนกันถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏสงสารสำหรับผู้เป็นเซกะก็เป็นอย่างที่พวกเราอีกเหมือนกัน คือเป็นผู้ที่ยังมีทุกข์มีกิเลสผู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่จบการศึกษาศีลสมาธิปัญญาอาเสคาคือผู้จบการปฏิบัติหมดทุกข์พ้นทุกข์หมดกิเลสเราเรียกพระอารหันต์ว่าอาเสคะบุคลยอดของกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้ารองลงมาคือพระอริยสาวก ส่วนผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างพวกเรานี้ก็เป็นกัลยาณมิตรกันได้เหมือนกันโดยเฉพาะพวกเราที่ชอบทำบุญฟังเทศและปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นกำลังใจให้กันและกันได้งาที่ของกัลยาณมิตรคือทาตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีงาม พูดคุยแนะนำให้หยุดทำความชั่วและส่งเสริมให้ทำความดีถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีจริงๆก็อาจพูดได้ว่าการปฏิบัติของเราสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะเราจะมีผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องโดยตลอดไม่มีการหลงทางเปรียบเหมือนกับการวิ่งมาราธอนที่เรามีความอุตสาหะวิ่งมาถึงครึ่งทาง กำลังจะเข้าใกล้จุดหมายปลายทางแล้วใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยมากก็พักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าประมาทก็แล้วกันอย่าถอยหลังให้พักอยู่กับที่อาจจะถึงจุดหมายปลายทางในชาตินี้หรือชาติหน้าสองชาติสามชาติสิบชาติหรือร้อยชาติก็ช่างมัน อย่างไรก็ตามเราก็จะมาถึงครึ่งทางแล้วอย่าไปคิดอะไรมากขณะนี้เวลานี้ขอให้มีสติถูกต้องเป็นสัมมาปฏิปทาก็เพียงพอแล้วสติถูกต้องคือสัมมาสติเป็นไปเพื่อความปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายเป็นไปเพื่อลดละกิเลสสติไม่ถูกต้อง เช่นการมีสติว่องไวคอยจับผิดคนอื่นอันนี้ไม่เป็นสัมมาสติทำไมแค่คบกัลยานมิตรทำให้การปฏิบัติธรรมของเราสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง